น้พูดเพียแค่นิดหน่อยก็โอ้เข้าใจทันทีเลยช่วยเหลือกันได้อย่างสมานได้อย่างสามัคคีอันเนี้คือความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการประวราณาเนี่ยคือการจริงๆแล้วคือการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งหลายคนเนี่ยมักคิดแต่แง่ลบมักคิดแต่ในแง่ที่ไม่ไม่ไม่สูงขึ้นเนี่ยคิดแง่ตื่นตื่นว่าอุ้ยเราไปตีคนเขา เราไปว่าคนเขามันมีจะดีที่ไหนอ่ไม่ดีอ่ะมีแต่จะซวยสิติไปเนียเดี๋ยวเขาก็ไม่ชอบใจหรือเขาก็เกลียดเราเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็เลยไม่กล้าติใครพูดกับใครเนี่ยจะพูดแต่เอาใจคนอื่นทั้งนั้นบางทีเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะก็ไปพูดดีให้เขาเอาใจเขาเผลอๆไอ้คนนั้นเลยยิ่งหลงอย่าเลยนึกว่าตัวเองทาดีแล้วเลยยิ่งทำใหญ่เลยเนะ แต่จริงๆแล้วทำไม่ดีไงคนอื่นเขาโอ้โหเดือดร้อนกันแต่เราก็เอ้ยดีแล้วทาอย่างงั้นแต่ดีแล้วไปเอาใจคนนั้นซึ่งก็เลยกลายเป็นคนนั้นเลยยิ่งไม่รู้อะไรเลยคราวนี้ก็ติดพบหรือว่าอยู่ในความคิดของตัวเองแล้วก็เลยยิ่งยิ่งทำไม่ดีอย่างนั้นไปใหญ่เลยเพราะฉะั้นก็เลยไม่มีโอกาสได้รู้อะไรรอบทั้งสองด้านไม่รู้มุมอื่นเพิ่ม เพรา ะ, ะ น, นก็ไม่ฉลาดขึ้นไม่มีไหวพริบไม่มีปฏิภาณไม่มีปัญญามากขึ้นเพราะในที่สุดก็เลยก็ทําผิผีผ่าๆไปเรื่อย ๆ, ๆก็รอวิบากกรรมกลับมาเล่นงานเท่านั้นเองซึ่งบางทีพอตามพลาดไปเยอะเขา่าเยอะเข่าโอ้โหเวลาวิบากกรรมย้อนมาทีหนักแอ่เลยคนนี้แต่บางทีนี่เออเราเตือนเราบอกกันไปก่อนนะเขายังทําไม่พลาดอะไรสักเท่าไหร่เหมือนกับมีเรื่องอะไรเรื่องจริงก็มีมาแล้ว ที่ตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยบางคนพ่อแม่หรือปู่ย่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่แม่ตามใจมันตามใจมันทําไม่ดีก็แหมไม่ได้ติไม่ได้ว่าอะไรแล้วนะก็ปล่อยมันช่างมันเถอะช่างมันเถอะก็ปล่อยมันอยากจะทําอะไรก็ให้มันทําไปตามใจก็เลี้ยงอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนโตเป็นผู้ใหญ่เลยจนกระทั่งเป็นหนุ่มจนกระทั่งแต่งงานนะมีลูกมีเต้าออมา ไอคนนี้ก็จังทำตามใจตัวเองอยู่อย่างนั้นนะเพราะไม่ค่อยมีใครไปติไม่ค่อยมีใครไปว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกคนมีเงินลูกคนมีเงินไม่ค่อยมีใครติว่าแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็ไม่ค่อยติไม่ค่อยว่าอะไรสักเท่าไหร่นะยิ่งมีเงินมากยิ่งมียศศักดิ์มีฐานะอะไรสูงๆก็คนก็ยิ่งไม่กล้าติเพราะในที่สุดเนี่ยอันนี้เขาสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเขาบีสร้างมาเป็นหนังก็มี จนในที่สุดเนี่ยแต่งงานนะมีครอบครัวปรากฏว่าก็ไปทําตามใจจนกระทั่งพลั้งพลาดไปทําคนตายในที่สุดเนี่ยไปทําคนตายเลยแล้วต้องไปติดคุกติดตำลองพอในที่สุดพอติดคุกติดตำลองไปเสร็จก็โดนพิจารณาโดนตัดสินโทษจนกระทั่งเขาตัดสินประหารชีวิต ตอนนี้ปรากฏว่าเป็นลูกคนเดียวลูกโทนคนเดียวโอ้โหทั้งพ่อแม่ทั้งปู่ย่าอะไรก็ทุกข์ใหญ่เลยบอกไม่มีคนสืบสกุลน่ะถ้าเจ้านี่โดนประหารชีวิตไป ก, ก็หมดตระกูลนี้ก็ไม่เหลือเพราะนั้นเอาจะทำยังไงดีอะในที่สุดก็เลยเนี่ยต้องส่งพรายาให้ไปอยู่ในคุกไปอยู่ร่วมด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าหาทางให้มีลูกสืบสกุลมา าทางคุกทางเดือนจำเขาก็อ้าวเห็นใจเขาก็ยอมให้จนแต่หลังก็ภรรยาตั้งท้องเสร็จพอตอน ห, หลังเนี่ยเขาเริ่มเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าโอ้โหแต่ก่อนตัวเองเนี่ยแย่มากทำอะไรตามใจชอบทำอะไรผิดๆนะไม่มีใครขวางได้เลยนะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็จะ เอาตามที่ตัวเองชอบทำเท่านะก็จะทาอย่างเงี้ยใครจะยังไงไม่สนนะฉันจะทำอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าอะไรก็ก็ไม่มาว่าอะไรเขาจนพอถึงวันที่ใกล้ๆจะโดนไปประหารชีวิตก็ปรากฏว่าเนี่ยพอเขานึกย้อนหลังไปแล้วเขาก็เสียใจว่าเออตัวเองไม่น่าไปทาอย่างนั้นเลยแล้วก็ต่อว่า ต่อว่าพ่อแม่ต่อว่าผู้ที่เลี้ยงดูเขามาบอกทำไมปล่อยให้เขาทำอย่างนี้มาได้ตั้งนานทำไมไม่ตีเขาบ้างทำไมไม่ดุด่าว่ากล่าวเขาบ้างทำไมปล่อยให้เขาทำไม่ดีทำไม้ถูกต้องจนกระทั่งโตจนกระทั่งเขาไปทาพลาดทำคนตายเนี่ยจนกระทั่งเขาจะต้องมาโดนประหารชีวิตโอ้ร้องหง่งร้องไห้ต่อว่าพ่อแม่ต่อว่าปู่ย่าใหญ่เลย นะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าก็ยอมรับว่าเออมันก็พลาดไปแล้วอะเพราะความรักลูกโทนคนเดียวนาะรักดังแก้วตาดังดวงใจเพราะนั้นพยายามเลยใครจะมาติใครจะมาว่าเนี่ยป้องกันไว้หมดไม่ยอมให้ใครมาติมาว่าได้เพราะในที่สุดเนี่ยนะก็มาลงเอยแบบนี้แล้ในที่สุดก็โดนบหารชีวิตก็ต้องต้องเป็นใบตามกฎหมายก็ นะซึ่งเรื่องเนี้ยก็ตัวอย่างก็มีมาจริงๆก็มีมาตามนี้พราะฉะนจะเห็นได้เลยว่าว่า น, นี่ยจริงๆแล้วการติาาการว่ากล่าวกันอะไรมันต้องมีถ้าไม่มีในสังคมมนุษย์มนุษย์ไม่มีวันพัฒนาเพราะคนเราทุกคนอยากทําอะไรตามใจตัวเองเนะั่านั้นไม่มีใครอยากจะทําอะไรฝืนใจหรอกเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย คนที่สอนตัวเองได้ก็ไม่ต้องรอใครมาติใช่ไหมพอเราทำอะไรปิดพ้าไปหรืออะไรปับ๊บจะแววไวมีไหวพริบมีปฏิภาณอันนี้ต้องสั่งสมบุญบารมีเพราะพอรู้ตัวเนี่ยเขาจะรีบไม่ต้องมีใครมาว่าเลยรู้เอ้ยอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรเขาจะปรับเปลี่ยนเ็าจะแก้ไขตัวเองคนนี้เป็นคนประเภทที่หนึ่งที่พุเจ้าบอกว่าติตัวเองได้ติตัวเองเป็น ไม่ต้องให้รอใครมาติไม่ต้องปาวรนากับใครปาวรนากับตัวเองก็ได้ติตัวเองอันนี้เป็นบุคคลชั้นเยี่ยมชั้นที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นชั้นที่สองต้องรอให้คนอื่นมาติเพราะตัวเองไม่ยอมติตัวเองเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมามีแต่ติคนอื่นเนี่ยแหละมันพลาดเพราะไอ้นู่นแหละเพราะไอ้นั่นแหละ แต่ไม่ใช่ชั้นเลยฉันไม่เคยพลาดฉันไม่ค่อยผิดหรือถ้าฉั้นผิดฉันผิดน้อยไอคนอื่นต่างหากทาผิดมากฉันนอีนิดเดียวเองคือไม่ค่อยจะเห็นความผิดของตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็เลยพลาดไปเรื่อยๆบ้าไปเรื่อยจนกว่าจะเจอคนอื่นที่บางทีเขาเคารพเขาศรัทธาหรือเขากลัวหรือเขายอมได้มัติ มาอบรมสั่งสอนหรือมีวิธีการที่จะทำให้คนนี้นี่โอ้โหเลิกนิสัยที่ไม่ดีได้เหมือนชาดกเรื่องหนึง่งเป็นลูกกษัตริย์นะเป็นลูกกษัตริย์โอ้โหใครๆครสอนใครๆครติใครใค ร, ครว่าไม่ไม่ยอมเลยยังดุร้ายยังแกล้งคนอื่นยังเล่นงานคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเพราะเป็นลูกกษัตริย์ไม่กลัวใครเนี่ยแม้แต่พระราชาก็ หมดปัญญาที่จะจัดการนะจนในที่สุดก็เลยมีฤาษีที่เก่งนะเก่งกล้าวิชาแก่กล้าก็เลยหมดทางแล้วไม่รู้จะยังไงส่งลูกนี้ให้ไปให้ฤาษีนี่สอนฤาษีก็รู้แล้วนี่นโอ้โหเจอคนตีเจอคนว่าเจอคนอะไรไม่ยอมเลยนี่ขนาดมีแล้วนะมีคนตีมีคนว่านะ แต่ไม่กลัวใครอ่ะแล้วกไ็ไม่เคยคิดที่จะยอมรับเลยว่าตัวเองผิดอ่ะตัวเองถูกอยู่เสมอหรือบอกแล้วถ้าผิดก็ฉันผิดน้อยคนอื่นผิดมากอ่ะถ้าจะเอาเรื่องก็ต้องไปเอาเรื่องคนผิดมากดีมาเอาเรื่องคนผิดน้อยทําไมเพราะฉะนั้นในที่สุดยอมใครไม่เป็นหรือสีเนี่ยพอรู้แล้วว่าโอ้โหนี่เจออะไรต่ออะไรมานะปุ้ยง่ายจะชื่อเสียงลือกระชอนเลยชื่อเสียชื่อเสียลือก็ะชอน น้าปากดว่าฤศีนี่ก็รู้แล้วอ่ะโอ้โหนาราชกุมารพระองค์นี้นี่ายเหลือแล้วก็ไม่ใช้ไม้แข็งด้วยละนะพอใช้ไม้แข็งแล้วไม่สำเร็จอะ่ะเพราะว่าเชื่อมันในอานาจของตัวเองอะ่ะนะเป็นลูกกษัตริย์ไม่กลัวไม้แข็งเพราะฤศีนี่เลยไม่ใช้ไม้แข็งด้วยเลยเพราะ ว, าวิธีติคนอื่นเนี่ยยานึกแต่ว่า แม่ต้องว่าแรงๆต้องใช้ภาษาแรงๆหยาบๆไม่จำเป็นใช้นุ่มๆก็ได้ใช้แล้วได้ผลก็แล้วกันเพราะฉะนั้นฤือีนี่ไม่ไม่ได้ว่าเลยนะเอาพามาเอามาๆม า, มาให้มาเที่ยวป่ามาที่อาสมของฤือีเสร็จแล้วก็ไปเจอถ้าจำไม่ผิดนะใบสะเดาไปเจอใบสะเดา ไอ้ไปเจอต้นเะดาเนี่ยแทงพื้นดินขึ้นมาโตขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปากดว่าเนี่ยพาหรือสีพาราชกุมารเนี่ยเนี่ยไปเที่ยวชมป่าชมสวนอะไรไปเรื่อยจนมาถึงไอ้เนี่ยเสร็จก็ปากดว่าเนี่ยเนี่ยถามว่าเนี่ยรู้แม่เนี่ยต้นอะไรไม่รู้ใช่ไหมบอกอยากรู้แม่ต้อนอยังไงก็ลองแบบว่า เอาลองมันเคี้ยวกินดูสิลองมันเคี้ยวดูว่ามันเป็นยังไงอ่าเวลาคุณมาก็เอามาลองดูเคี่ยวเข้าไปโอ้โหขมแหม่เฟื่อนขากทิ้งเลยถุยทิ้งเลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยมันทําไมมันต้นเป็นอย่างนี้แล้วนี่ขนาดต้นมันนิดเดียวเองนะใบก็ น, นิดเดียวนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรทำมันโอ้โห มันขมอย่างงี้ทําไมมันรสชาติมันเลวร้ายอย่างงี้บอกอย่างนี้เนะี่ยต้นมันนิดเดียวนะถ้าอีกหน่อยต้นมันใหญ่กว่านี้มันมันมียิ่งขมกว่านี้เหรอมันไม่ยิ่งแย่กว่านี้เหรอไล่ลกะชูกุ ม, มานจะแบบจะกระทืบทิ้งนเลยียบจะเหยีบหยบไอต้นไม้นี่ทิ้งเลยบอกว่าโอ้ยต้นอย่างนี้ไว้ไม่ได้หรอกมันเลวร้ายต้นแบบนี้ไม่น่ากินไม่ชอบพฤาษีก็เลยเนี่แหละก็เลยค่อยสอนบอกนี่แหละ เหมือนกับคนเราอ่ะแม้ยังเด็กอยู่ก็ตามถ้าขมถ้าลายกาดอย่างเงี้ยนะเขาอยากจะเหยียบทิ้งเขาจะไม่ไม่อยากให้มันโตต่อไปหรอกนั่นเนี่ยก็ใช้วิธีการพวกนี้ยสอนราชกุมารราชกุมารไม่ใช่คนโง่ฟังแค่นี้ก็พูดง่ายว่ารู้แล้วว่าโดนด่ารู้รู้แล้วว่านี่กำลังตําหนิตัวเองแล้วก็เข้าใจ พอเข้าใจรู้แล้วก็เลยคราวนี้ก็รู้แล้วว่าเออฤศีเนี่ยฉลาดแล้วก็สามารถที่จะบอกสามารถที่จะแนะสามารถที่จะสอนเขาได้เพราะงั้นคราวนี้ก็เลยยอมฤศีก็ให้ฤศีเนี่ยแนะนำแล้วก็บอกสอนในที่สุดก็เลยเปลี่ยนนิสัยใจคอของตัวเองได้จากนิสัยเร็วๆไลยๆก็กลายมาเป็นนิสัยดีเพราะสะดาวใบเดียวท่านนะแลสะดาวใบเดียวท่านจะทาให้คนดีก็ได้ วันอันนี้ก็เป็นวิธีการตำหนิแต่ตำหนิยังมีศิลปะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่บางทีตำหนิแล้วไม่ได้ผลตำหนิแล้วปรากฏว่าเป็นที่เกียรตชังเป็นที่แค้นเป็นที่โกรธเป็นศัตรูเพราะบางทีเนี่ยเราจริงใจก็จริงแต่เราติไม่มีศิลปะเราเตือนคนยังไม่มีศิลปะ โดยเฉพาะเราเตือนด้วยอารมณ์ความไม่ชอบใจบางทีเนี่ยโกรธมโหตีเลยด่าเขาเลยไอ้อย่างเงี้ยคนเขารับยากหรือเขาไม่รับเลยต่อให้คุณตีถูกด้วยนะแต่คุณโกรธคุณมโหแล้วคุณก็ด่าใส่เขาเลยเขาไม่เอาหรอกเขาถือว่าไอ้นี่ใช่อารมณ์ไอ้นี่มันพูดด้วยความโกรธเคืองเพราะฉะนั้นบางทีเขากวาดทิ้งเลยเหมือนกัน เขาก็ไม่รับเลยว่าวันนี่เจตนาจะให้ขุมทรัพย์เขาเขาไม่คิดว่าเป็นลุมทรัพย์เลยเพราะคุณโกรยคุณใช่อารมณ์ตุมตุ้มตุมตมใส่เขาเนี่ยเขาไม่คิดว่าลุมทรัพย์หรอกเขาคิดว่าขี้หมาเคขี่ยงใส่หน้าเขาอะนะเพราะเขี่ยงเขี่ยงใส่หูเขาเพราะนั้นเขาไม่รับฟังเลยบางทีนี่เขาเดินหนีเลยเขาไม่เอาด้วยเลย เพราะว่าโอยนี่โกรธแล้วก็พูดอย่างนี้นี่ไม่ฟังด้วยอ่ะเขาไปที่อื่นดีกว่าเพราะเห็นไหมต่อให้คุณตีถูกต้องด้วยที่คุณว่าไปเนี่ยคุณว่าถูกเป๊ะเลยไม่ผิดพลาดเลยแต่เขารับไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ยอมรับเพราะนั้นใครที่ติอย่างเงี้ยไปไม่รอดแล้วคนจะเกลียดทั่วเมืองเลยคุณไปตีใครคุณไปตีใครก็มีแต่คนจะเกลียดเพราะคนนี้อายุจะไม่ยาว อายุจะสั้นนะถ้าคือติติติ ต, ต, ติใครไม่เป็นไม่เป็นสัพพรดกลายเป็นทุเรียนนะคือคือทุเรียนมันมีหนามนะเพราะฉะนั้นนะกุนติไม่เป็นเนี่ยโอ้โหเขาเคุ้งทุเรียนกลับมานี่เจ็บนะหนามทุเรียนมันแหลมมันจะย้อนกลับมาตําเราให้เจ็บปวดเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของปปรานาที่เราจะเขามาขอเราก็จริงไม่ใช่ แหมรอมาตั้งนานแล้วพอดีเลยมามามาขอให้ตีให้หน่อยมาขอด่าให้หน่อย <c oughs> ใช่ไหมโอเข้าทางเราพอดีเลยนะแหมรอมาตั้งนานแล้วดีแล้วเพราะฉะนั้นพอเขามาขอปั๊บเอาเลยคนนี้ตูมใส่เลยตูมใส่เลยนี่แหละคุณอย่านึกว่าพอเขามาขอนี่เราเลยใส่เต็มที่เลยอัดเต็มที่เลยนะ จริงนะเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาเพื่อที่จะมาขอนะแต่ว่าบางทีนี่เขามาขอคุณเนี่ยขีดความสามารถของเขาเขาเขาตั้งใจว่าจะรับสักสิบกิโลความสามารถเขาอะนะสูงสุดเขารับได้สิบกิโลแต่คุณเนี่ยฉวยโอกาสเนี่ยโอ้โหแหมเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เมื่อเดือนนี้นี่เนี่ยเล่นเราอึดอัดมานานแล้วนะเนี่ย เราก็กันเอาไว้นะไม่ไม่ยอมติไม่ยอมว่านะดีแล้วคราวนี้มานี่มหาภวรนาพดีนะมาขอเราเนี่เอาเลยทบต้นทบดอกเบี้ยวันวัน น, น, นี้อัดใส่เลยยี่สิบกิโลให้เขาเลยแต่จริงๆแล้วเขารับได้แค่สิบกิโลเท่านะอั น, นเนี้ยเนี่ยผู้ให้ที่ไม่คํานึงถึงอะไรเลยนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นเขาเลยจริงๆคน พูดง่ายๆนะเขาอุตสาบากหน้ามามาขอกลุ้มทรัพย์เนี่ยนะเราก็ควรรู้จักประมาณในการให้ว่าขนาดไหนทองคำเนี่ยนะใครๆก็อยากจะได้แต่ถ้าทองคํามันเยอะเกินไปเนี่ยมันหล่นทับอะทองหล่นทับตายนะคุณทองหล่นทับนี่ตายนะหายใจไม่ออกนะตายเพราะฉะนั้นเนี่ย ทองเนี่ยเขายินดีเขาพอใจอยากได้แล้วเขาก็อยากรับด้วยแต่มันพอที่เขาจะอุ้มไปได้เขาแบกไปได้อะอย่างนี้กลายเป็นของมีค่าสําหรับเขากลายเป็นสิ่งที่เขาจะไปใช้ในชีวิตเขาเอาเป็นประโยชน์ได้เป็นสาระได้แล้วเขาก็ไปปรับปรุงแก้ไขตัวก็ได้แต่คุณโครมโครมโยนใส่มากเกินไปโอโ้เขารับไม่ไหวเลยวันข่าวนี้ก็ปรากฏว่า มันตีกลับนะคนเราเนี่ยถ้าเริ่มรับอะไรไม่ไหวนี่ตีกลับเลยนะเข็มเนี่ยเข็มเนี่ยพอมันถึงขีดสุดมันแล้วนี่เป็นไงมันไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเครื่องพังเครื่องพังเสร็จเข็มเป็นไงละโอ้โหหมุนกลับตะปัดเลยเคนเนี้ยเคว้งเลยแหละเพราะฉะั้นบางคนเนี่ยพอเราเจอเข้าไปแบบชนิดที่ว่าโอ้โหหนักแอ้เลยเกินที่เราจะรับแล้วเพราะฉะนั้นความไม่ชอบใจ ความไม่พอใจจะเกิดขึ้นนะจะตามมาเอาง่ายๆ ย, ยกตัวอย่างง่ายๆขนาดไม่ใช่โดนติโดนว่าโดนดา่าโดนอะไรทั้งสิ้นนะอย่างเช่นเรามาฟังธรรมอย่างเงี้ยสมมติลิมิตหรือว่าความสามารถในการฟังธรรมของคุณเนี่ยคุณฟังได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่ปรากฏว่าฟังไปฟังไปโอ้โหนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วนะโอโ้นี่สองชั่วโมง ย, ยังไม่ยอมเลิกเหรเนี่ย คุณเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วใช่ไหมคราวนี้กูเริ่มไม่เพียงแต่ไม่อยากฟังนะแต่คิดว่าเมืออ่อไหร่จะเลิกเทศสักทีทชักเบื่อแนละ้วชักไม่อยากฟังแนละ้วต่อให้จริงๆผู้เทศยังเทศดีอยู่นะแต่มันเกินความสามารถที่เราจะรับแล้วคุณไม่เอาแล้วกู เ, วเริ่มผักแล้วอนนี้อะไรมาก็ไม่เอาเงี้ยแหละดีวิเศษยังไงก็ไม่เอาอะ่ะเพราะฉะนั้นเน่ยสิ่งที่วิเศษสุสดคือความพอดีคือความพอเหมาะ จะชมใครก็ตามชนชมเวอร์เกินนี่เขาก็ไม่เชื่อนะว่าที่คุณชมมาเนี่ยจริงใจแล้วก็ดีต่อให้ชมนะ น, นี่เพราะว่าถ้าคุณชมอะไรเกินไปแล้วนะเขาเริ่มรู้สึกไอ้นี่มันมาแกล้งยอมากกว่าไม่รู้มันหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าคุณเริ่มคิดเปนในทางไม่ดีแล้วนะแต่ถ้าคุณชมใครพอดีๆนะคุณรู้ว่าเอ้คนนี้เขาอย่างนี้อย่า ง, งี้ คุณชมไปพอดีพอดีเนี่ยเขาแหมรู้สึกภูมิใจนะเขารู้สึกมีปิติมีความสุขแหมทําให้อยากจะทําดีอย่างนี้อีก เ, อเพราะว่ามันมันกำลังเห็นเลยว่าแหมทําดีอย่างนี้แล้วก็เออมันก็ได้ลาบได้เสริเสริญได้อะไรที่มันพอประมาณอย่างนี้นี่เขามีความสุขแล้วเขาก็จะทําดีอย่างนี้ต่อไปนี่นี่ขนาดชมนะคุณ แต่ถ้าติอะไรเกินไปเนี่ยอาตมาบอกแล้วเขารับไม่ไหวนี่บางทีโกรธออกมาในลักษณะโกรธไม่ชอบใจนั่นก็จะกลายเป็นโตเถียงจะกลายเป็นด่ากลับและคนเนี้ยกลายเป็นสวนเรากลับมาเลยหรือถ้าเขาไม่สวนกลับเขาไม่ด่ากลับเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเกินขีดที่เขาจะยอมรับได้แล้วบางคนนี่ไม่ใช่สายโทสะ นะเป็นสายกามสายอะไรพวกนี้เพราะนั้นไม่ไปโกรธโทษาไปเกลียดชังคนนั้นหรอกแต่จะน้อยใจบอกแม้เราทำผิดแล้วว่าเราผิดประมาณแค่เนี้ยนะท้าติเราก็น่าจะตีแค่นี้ก็พอดูที่ติเรามากกว่าที่เราคิดว่าเราผิดอีกน้อยใจถ้าเกิดอาการน้อยใจหดหูหอเหี่ยวหัวใจคราวนี้ทำงานก็แบบชักไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง ทำไมก็อาจจะน้ําตาหยดแหมแแมน้อยใจไม่ไปโท่สาใส่ใครหรอกแต่น้อยใจจนกระทั่งบางคนเนี่ยโอ้โหเศร้าไปหลายวันเลยนะเพราะโดนติโดนว่าเนี่ยแหละแล้วก็น้อยใจทําไมติทําไมว่าเราหนักทําไมว่าเราแรงอย่างงี้นั่นเราผิดก็จริ ง, งก็ยอมรับว่าตัวเองผิดเนี่ยแต่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นนะ กิเลสคนเรามันมีตัวนี้อยู่โอ้เราผิดไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงได้สอนไว้เลยว่าเวลาเราตีเราว่าใครเนี่ยสมมุติคนนี้ผิดสักร้อยหนึ่งนะคนนี้ผิดสักร้อยหนึ่งคุณอย่าเพิ่งไปตีไปว่าเขาเต็มร้อยเพราะกิเลสคนเราเนี่ยมันไม่ยอมรับผิดเต็มร้อยหรอกกิเลสคนเราต่อให้คุณผิดจริงๆเต็มร้อยกแล้คุณก็รู้ว่าคุณผิดเต็มร้อยเนี่ย แต่กิเลสที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้เราไม่ยอมรับผิดเต็มร้อยจริงคุณจะใจสปอร์ตเขาเรียกว่าใจนักกีฬานะกล้ายอมรับผิดแต่คนมันมีกิเลสอยู่ไอ้กิเลสตัวเนี้มันทำให้ยังไงก็ตามมันจะลดความผิดของตัวเองลงบ้างทำให้อย่างน้อยก็เหลือสักแปดสิบหรือเหลือสักเจ็ดสิบกิเลสของเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้น ไอ้ความที่เขายอมรับได้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่เจ็ดสิบหรือแปดสิบนี้เพราะถ้าคุณติเต็มที่เลยนะคุณต้องตีเขาแค่เจ็ดสิบหรือว่าแปดสิบคุณอย่า ก, กดถึงร้อยถ้าคุณกดถึงร้อยเมื่อไหรน่นะเอาละเข็มบุนติวเลยคนนี้เข็มนาฬิกาใจในี่บุนติวเลยเพราะว่ามันละมึนละมันเกินเกินลิมิตที่ตัวเองจะรับไว้ได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้ได้เวลาจะติคนเราถึงจะรู้ว่าเออประมาณนี้ขนาดนี้ถ้าเราติไม่เก่งอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนปากหนักอยู่แล้วเนี่ยวันพยายามหัดติน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งไปติมากหัดติได้น้อยแล้วก็หัดชมคนให้มากขึ้นเพราะคนที่ติไม่เก่งเนี่ยก็จะชมคนไม่เก่งเหมือนกัน อาจริงๆคนติไม่เก่งก็ชมคนไม่เก่งเหมือนกันนะแต่บางคนชมคนเก่งแต่ไม่กล้าติคนมีหรือบางคนติคนเนี่ยนะแล้วก็ไม่กล้าชมคนเลยก็มีแล้วเขาเรียกลูกอิช่างติเป็นแต่ติอย่างเดียวติดติจนเป็นนิสัยเลยเลยเลยชมคนไม่เป็นเลยแล้วนิสยนัยอันนียพวกเราเป็นกันเยอะพวกเราเป็นกันเยอะ เพราเราจะตีเก่งเพราะว่าเราคิดว่าการตีจริงเป็นขุมทรัพย์ซึ่งมันก็จริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชมคนไม่ค่อยเก่งอ่ะแล้วคุณไปสังเกตไหมคนที่ชมคนเก่งเนี่ยนะนะคนที่ชมคนเก่งเนี่ยโหตีเก่งด้วยนะแต่ต่อหน้านี่นะชมคุณไปสังเกตดูทีต่อหน้านี่ชมแต่พอรับหลังบาทีเอาแล้วโอ้โหตีหน้าดูเลยล่ะ คนที่ชมคนเก่งเนี่ยต้องตีคนเก่งด้วยมันมันไปด้วยกันไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงเพียงแต่ว่าถ้าไม่จริงใจเนี่ยนั่นก็ใส่หน้ากากพอต่อหน้าเอาไม่อยากให้ใครเกียดเราเนี่ยว้นต่อหน้าเราก็ชมชมชมช ม, ชมแต่พอรับหลังเนี่เอาเลยใช่ใช่แล้วนะผสมลงกันเลยนะอ่าแล้วก็ตีใหญ่เลยวิวิภาควิจารชนิดลบลบเสียเสียเขาใหญ่เลย นเพราะนั้นแหละจะไปด้วยกันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เน้นไปในเรื่องของการชมจริงๆเราเน้นในเรื่องของการตินั้นแล้วก็การติเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าชมคุณชมคนไม่เป็นก็มไม่เป็นไรแต่คุณต้องติคนให้เป็นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของาศาสนาพุทธเพราะาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของการตาหนิ เพราะผู้เจิจารตรัสรู้ทุกขอริยสัจนั่นรู้ว่าความจริงของชีวิตขอเรามันทุกข์แค่เหตุผลนี้ก็โอ้โหจริงๆก็แหมมันน่าจะเป็นศาสนาของสุขแต่คุณดูสิเนี่ยศาสนาพุทธนี่ตรัสรู้ทุกทุกต่นนั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่ทุกตอนนั้นดับไป แค่ น, นี้ก็เป็นเหมือนกับการติชีวิตคนเราแล้วนะไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์คุณไปพูดอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ระวังนะคนเขาก็ไม่ชอบฟังคุณหรอกเพราะโอมาพูดมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่เอาเถอะพูดไปคนเดียวไม่เอาด้วยอะ่ะนี่ก็ทุกข์แย่เลยดิไม่มีความสุขอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่เอาเนี่ยเนี่ยศาสนาพุทธจะเป็นลักษณะนี้ แต่ความสุขของาศาสนาพุทธคือทําทุกข์ให้ดับไปต่างหากนั่นแหละคือคําว่าสุขของาศาสนาพุทธเพราะหลายคนเลยที่แบบว่าศึกษ า, าศาสนามาเนี่ยไม่เข้าใจคําว่าสุขอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านใช้เพราะสุขที่ท่านใช้เนี่ยมันเป็นสุขที่ทุกข์หมดไปเรื่อยๆทุกข์หมดไปเรื่อยเรื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกข์เพราะกิเลสนี่นะกิเลสเรื่องนั้นกิเลสเรื่องกลาม กิเลสเรื่องโทสะกิเลสเรื่องมานะ อ, อทุกอันนี้หมดค่อยๆหมดไปหมดไปแล้วค่อยๆดับได้ทีละนิดดับได้ทีละหน่อยคุณดับได้มากที่สุดเท่าไหร่นั่นแหละคือความสุขของคนที่ทุกน้อยลงนั่ยความสุขของศาสนาพุทธคืออันนี้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจนะแล้วคุณพูดไม่เป็นนะคุณก็ดุยด่ยเลยนะเฮ้ยศาสนาพุทธไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์เท่านั้น แต่คุณผู้ไม่เป็นนะไม่มีใครเขาอยากจะมาเอาด้วยอ่ะศาสนาพุทธเนี่ยเพราะว่าโอ้โหตายเลยมาเข้าพุทธแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทกตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปหาสุขไม่ได้เลยเหรอใครเขาอยากจะมามาปฏิบัติเพราะคนที่มาปฏิบัติต้องการอะไรต้องการความสุขในชีวิตถูกไหมล่ะเออเนี่ยคุณจะมาปฏิบัติธรรมหรือคุณคุณจะ ไปอยู่ที่ไหนอะไรในโลกนี้คุณจะไปอยู่มุมไหนก็ได้ไปเกิดอยู่ในชาติไหนประเทศไหนก็ได้คุณก็ล้วนต้องการความสุขในชีวิตเดียวมันเป็นอุปทานในคนไปแล้วว่าว่าเกิดมาเพื่อสแสวงหาความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติคนไม่เป็นนะคุณก็ติแต่ทุกทุกทุกทุกจนกระทั่งเขามองไม่เห็นความสุขในการที่โดนตําหนินั่นเลยนะ ถ้าเขามองไม่เห็นความสุขในการโดนตําหนีได้เลยเขาไม่รับคําตําหนีของคุณเลยแต่เขาเห็นประโยชน์เขาเห็นคุณค่าใช่ไหมเขาเห็นว่าเออโดนติอย่างนี้แล้วเป็นเป็นเหมือนเพชรนินกินดาเป็นเหมือนเงินเป็นเหมือนทองจริงๆอันนี้เขาเริ่มเห็นความสุขถูกไหมเห็นความสุขจากการโดนติโดนดา่าโดนว่าได้ละอย่างนี้แหละเขาอยากจะรับคําตําหนินั้น เพราะทำให้เขาพ้นทุกได้และนี่แหละคือความสุขที่เขาจะได้ในาศาสนาพุทธวันถ้าใครเนี่ยเข้าใจตรงนี้ได้รู้ตรงนี้ได้คนนั้นจะไม่กลัวการโดนติจะไม่กลัวการโดนว่ากล่าวแล้วจะยินดีจะพอใจที่โดนติโดนว่าด้วยเพราะอะไรเพราะรวยดิใช่ไหมก็เป็นกลุ่มซ้ำนี่ มันยิ่งโดนตีโดนว่ามากก็ไรก็ยิ่งรวยอะ่ะหรือไม่อยากรวยแบบนี้คนใหญ่รู้สึกแหมท่านพูดอย่างนี้ไม่อยากรวยอะ่ะจนดีกว่าพ่ารวยแบบนี้สวยโดนด่าเอาโดนว่าเอาถ้าคุณยังไม่เข้าใจจริงๆคุณก็จะกลัวอย่างนี้จริงๆด้วยถ้าคุณยังไม่เข้าใจจริงๆ คุณก็จะกลัวอย่างนี้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นจะพยายามป้องกันทุกอย่างเลยนะเพื่อที่ไม่ให้โดนด่าไม่ให้โดนว่าจะป้องกันหมดเลยจะทำอะไรเนี่ยเรียกว่าใสา่เกาะสวมบวกกันนอกเต็มที่เลยว่ายัางไงก็ไม่ให้โดนไม่ให้โดนจริงๆเราไม่โดนนะมันดีแสดงว่าคนนี้ก็เออทำตัวได้ดีแต่ขอให้มันดีจริงๆนะแล้วก็ดีได้โดยอยา ก, กลัว แล้วในสัจจานในความจริงของคนเรามันต้องผิดพลาดได้ทุกคนคนที่ยิ่งกลัวยิ่งป้องกันตัวเองมากเนี่ยบางทีพลาดนิดพลาดหน่อยโดนคนมาแต่นิดติหน่อยเท่านั้นเองนะบางทีน้อยใจเสียใจแล้วเพราะความกลัวที่มีว่าโอ๊ยโอ๊ยโอยฉันพยายามอย่างดีแล้วปอนอย่ามาติอย่ามาว่าฉันอะไรเลยนะเพราะน้พวกนี้จะไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความอดทนไม่มีความ อะไรไม่มีเกาะที่จะม้องกันคุ้มครองตัวเองบ้างเลยขนาดต่อให้ผู้เจ้ายังมีคนติคนดา่าคนว่าเลยคุณคิดดูนี่คือความเป็นจริงของชีวิตเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะคุณจะกลัวจริงๆริเพราะเวลาใครมาติมาว่าเมื่อไหร่คุณไม่น้อยใจคุณก็โกรธเขาก็จะเกิดสองอย่างนี้ขึ้นมาอยู่เสมอจนกว่าคนนั้นเข้าใจความเป็นจริงอันนี้ได้เท่านั้นเอง ถึงจะเออเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อย่างนี้คุณถึงไม่มาน้อยใจเวลาโดนใครติใครว่าคุณจะไม่ไปโกรธเขาใครมาติมาว่าหนักมาว่าแรงยังไงคุณก็ไม่ไปโกรธเขาเพราะเรารู้ว่าเออจริงๆเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะไม่ไม่มาทุกข์เพราะโดนติโดนว่าแล้วก็จะเนี่ยทำงานกับใครอยู่ใกล้ชิดอยู่ร่วมงานกับใครคุณไม่กลัว ว่าจะโดนติโดนว่าคุณก็ตั้งใจทํางานอย่างดีเนี่ยแหละแต่ไม่กลัวที่จะโดนติโดนว่าแล้วโดนเมื่อไหรก่ก็โอ้ขอบคุณเขาที่เขาอุตส่าห์ให้ขุมทัพย์เราอีกแล้วแล้วเราก็ไม่ได้แกล้งด้วยไม่ได้แกล้งเพื่อที่จะทําผิดผิดพลาดพแล้วให้คนมาติมาว่าจะได้รวยๆก็ไม่แกล้งก็ทําจริงใจบริสุทธิ์ใจแต่มันพลาดไปแล้วก็ต้องโดนติโดนว่าแล้วนั่นก็คือ ความร่ารวยของเราที่เราจะได้นะเอาวันนี้นั่นก็พูดถึงเรื่องบาราณาที่ถ้าพวกเราเข้าใจประโยชน์อันนี้ได้แล้วเราเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆเราได้คุณจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดชังใครเพราะส่วนใหญ่ที่เราจะไม่ชอบใจอะไรใครเนี่ยก็มักจะมาจากการที่ไม่สมใจเรา อาจจะเพราะเขามาติมาว่าหรือเขาทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราแต่คราวนี้คุณคิดดูสิขนาดโดนติโดนว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกใจเรานะแต่เราเข้าใจในสัจจะความจริงอันนี้ว่ามันมีคุณค่าจริงๆเ ป, ปเป็นประโยชน์กับเราจริงๆทําทำให้เราเนี่ยวางใจในสิ่งนี้ได้นะเราก็ไม่ไปโกรธไปเกลียดแล้วเราก็เอาประโยชน์นั้นมาใช้กับตัวเราได้ทาให้เรามีความสุขจริงๆ นะเพราะความบกพร่องความผิดพลาดของเราก็ลดน้อยลงเพราะเรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวเราเองได้ดีขึ้นจริงๆนะอ่ะวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้